พระขึ้นแปดค่าเดือนสิบวันนี้เป็นวันที่เก้ากันยายนพุทธศักราชสอง9ห้าอห้าวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นวันพระที่พวกเราได้สมาทานศีลในพรรษาพวกเราเป็นสวนมากที่เดียวที่เด้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่า จะรักษาศีลอย่างน้อยก็ต้องศีลห้าทุกวันพระเราก็จะมาไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพร ะ, ะ, ยพร ะ, พระอย่างนี้เป็นต้นแต่กี่าคงจะมีแต่ถึงยังไงก็ตามในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพระสงฆ์ข้าท่านก็จำพรรษาพวกเราศรัทธา ญ, ญาติโยมก็เป็นพุทธบริษัทส อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสัมมะเนก็ควรจะทั้งอกตั้งใจหรือ ว, ว่าใส่ใจในสามเดือนเมื่อออกพรรษาไปแล้วก็เอาเป็นว่าอันผ่านไปถ้าว่าพวกเรายังมีความตั้งใจสนใจอยู่ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอันนั้นแปลว่าเป็นผู้ตั้งมั่นในจิตในใจของเรา ถ้าว่าพวกเราจะมีภาระธุระอยู่เราก็ควรจะใส่ใจในปีหนึ่งเพียงสามเดือนในสามเดือนก็ไม่ใช่ทุกวันเอกสามเดือนกับเพียง43212วันที่เป็นวันพระพวกเราก็ควรจะตั้งใจใส่ใจสนใจในการรักษาศีลและก็ไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรม แต่วันนี้หลวงพ่อเองอยากหลวงพ่อจะกล่าวเรื่องวิธีการภาวนาการปฏิบัตินานทีอย่างวันพระหลวงพ่อจะได้พูดแต่วันธรรมดาหลวงพ่อเทศนาว่าการตอนเช้าหรวอกล่าวสมุดธนยะกถาตอนเช้าหลวงพ่อก็มองเห็นจุดไหนที่จะพวกเราควรจะได้ศึกษาเรียนรู้ ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเพราะพระธระรมคําสอนของพระพุทธเจา้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่า 84% ดหมพันพระธรรมขันมากมายหลายแง่หลายมุมหลายเรื่องราวหลายชั้นเชิงห ล, หลายแนวความคิดที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราได้ใช้สติใช้ปัญญาเพราะหลักของพทุทธศาสนาถ้าเราศึกษาดูแล้วหลักสูงสุดก็คือให้ใช้ปัญญา ทุกอย่างให้มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาแล้วก็จะเอาตัวรอดได้อันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเราจะจ ะ, ส ะ, สะแสวงหาทรัพย์ได้ด้วยอย่างไรก็ต้องไม่พ้นปัญญาอีกเหมือนกันบทนั้นหลวงพ่อจึงให้แนวความคิดทางปรัชญาทางด้านปัญญา ว่าการวางตัวของพวกเราจะปฏิบัติยังไงอยู่กับพ่อแม่พี่น้ององศาการอาญาประเทศชาติบ้านเมืองอยู่กับผู้น้อยผู้ใหญ่ทําตนอย่างไรหลวงพ่อจะพูดในแนวให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาทุกเช้าเรื่อไปพูดในสถานที่ต่างๆจะเน้นชั้นเชิงเลี่ยงรล้วกาการ วางตัวของพวกเราถ้าว่าพวกเราได้ฟังในเอ3มพสามของหลวงพ่อที่เป็นร้อยกว่าแผ่นนะหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าพวกเราท่านทั้งหลายคงจะเอาตัวรอดได้พูดอย่างนั้นได้ถ้าหากว่าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาในแนวความคิดตลอดที่หลวงพ่อได้แนะนาที่ว่ากล่าว สำมดธนิจกถาในต่างกลัมต่างวาระนั้นไม่รู้ว่าเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องความพร้อมเพียงสมัครีระว่าการอยู่ด้วยกันการวางตัวสําหรับพวกเราแต่นะแต่รัสถานะแต่ที่ยังไงหลวงพ่อถึงจะพูดกล่าวเหล่านั้นมากมายก็เถอะตรงพ่อก็ไม่ได้ให้ความสําคัญยิ่งไปกว่าเรื่องจิตตภาวนา เรื่องจิตภาวนาจุดนีนะ้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาถ้าว่าพวกเราจะทําดีขนาดไหนไปในทางกิเลสก็จะต้องวกวนเวียนเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารไม่มิดไ ม, ไม่ไม่มีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณแต่ว่าพวกเราหันใจใส่ใจในเรื่องจิตภาวนาตัวนี้ละ่ะ อ, อถ้าว่าพวกเรารู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องจิตตภาวนาชำละกาย สำรักใจของตอนเองให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดตามแนวแถวของพุท ธ, ธะนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อเองถึงจะพูดในแง่มุมต่างๆแต่จุดมุ่งหมายและจุดมุ่งมั่นก่อนเล่งมาถึงจุดนี้อีกเหมือนกันไม่ได้เล่งไปจุดอื่นการประกอบคุณงามความดีก็เพื่อหวังพ้นทุกในวัฏสงสารไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิด อันนั้นคือจุดสูงสุดในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงพระองค์จะบำเพ็ญบรมีมาถึงสีอสงไขยกำไรแสนมหากับแต่พทะองค์ก็ตั้งจิตอันแน่วแน่มุ่งมั่นว่าเพื่อหวังโพธิญาณใครว่าเพื่อหวังโพธิญาณใครข้าว่าขอให้พ้นทุกข์ไดตัตดจรุพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ ในเมื่อได้เปิดได้ตัสรุปพระอนุตรสัมมส ม, มาสัมโพธิญาณแลปลว่าสิ้นสุดในการเปลี่ยนไหวตายเกิดในดวงวิญญาณแล้วว่าพุทธะแปลว่าสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านเกิดมาพบใดชาติใดท่านกา็ขอให้ข้าพเจ้าได้ตัดสรุปพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้ต้องการเป็นเจ้าฟ้ามหากตรัดไมได่ต้องการเป็นเศรษฐีพ่อค้าใหญ่โตอะไรทั้งหมด ถึงยังไงก็ตามทําบุญมากน้อยทําคุณงามความดีสิ่งไหนก็ตามก็เพื่อหวังโพธิญาณนี้พวกเราก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันให้ทานรักษาศีลอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามประกอบคุณงามความดีปฏิบัติพ่อแม่ทําตัววางตัวให้ถูกต้องเป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรรมอยู่นสถานที่ใดบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานั้นขอให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพาน ขอจะได้มาเวียนไหวตายเกิดในวัตฏสงสารอีกต่อไปเพราะเราได้เกิดมาในวัฏสงสารในสิ่งที่พึงปรารถนาก็มีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็มีมันอยู่ในโลกนี้บางสิ่งบางอย่างบางเรื่องบางพบบางชาติสิ่งที่ไม่ควรเกิดมันก็เกิดขึ้นมาได้กับเราเพราะนั้นท่านจึงว่าไม่ควรมาเกิดควรจะให้พ้นทุกข์ในวัตฏสงสารดีที่สดุด อันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะแต่เราได้ศึกษาดูแล้วทุกเรื่องราวที่มีพระประสงค์ทเป็นพุท ธ, ธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนพระสาวกท่านจะเน้นหนักในลักษณะอย่างนี้ให้พวกเราไปศึกษาดูแลวก็พร้อมกันกับระษาวกทั้งหลายทุกทุกพระองค์ท่านก็นเน้นหนักภาวนา เพื่อให้ละกิเลสให้ทางหวังทางพ้นทุกข์อย่าได้มาเวียนว่ายตายเกิดมาตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างองค์หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่เป็นธรรมะลิกิจของท่านจะเป็นหนังสือประวัติของท่านก็ตามจะเป็นธรรมเทศนาของท่านก็ตามที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาก็มีจุดมุ่งหมายมีจุดมุ่งมั่นอย่างนั้นจริง อถึงยังไง ข, ขอให้พ้นทุกในวัฏฏะสงสารถึงแดนพระนิพพานอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดอีกเพราะว่าการเกิดก็เป็นทุกข์อยู่แล้วพวกเราเห็นไหมการเกิดเราเกิดมากับเป็นทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อคนแก่ขึ้นไปถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องแก่ถ้าแก่ก็เป็นทุกข์อย่างนั้นอีกเหมือนกันแต่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยโรคโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเราก็ทุกข์อีกเหมือนกันในเมื่อใจของเราจะขาด ชักติ่นชักงด ต, ติ่นลนกระเสือกกระสนก่อนที่จะใจขาดาก็ไม่ใช่ธรรมดาอีกเหมือนกันพราะนั้นการเกิดขึ้นมาแล้วจะหาความสุขความสุขทแท้จริงของมนุษย์ความสุขทแท้จริงของพวกเราเพราะพทะเจ้าท่านตรัสพระาราหันตรสาวกท่านตรัสไว้แล้วพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าความสุขทแท้จริงของมนุษย์นั้นคืออะไร มันหาไม่เจอนี่แหละจุดที่หาไม่เจอนี่แหล ะ, ะความสุขของมนุษย์นอกเสียจากพระพุทธเจ้ามิจะชี้นำตนเองเทนั้นเองความสุขของมนุษย์ที่จะหาให้เจอนั่นคือนี่นะทำอย่างนี้นะนี่แหละจากท่านทนะ่านสอนเรื่องสมาธิละไรต้นเอสอนแนวความคิด ถ้าว่าคิดหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติหายถถามบรรดาสาขาสิ่งไหนมันหาอยู่ในวัฏะทั้งหมดมีแต่เรื่องทุกข์แต่ถ้าวัคิดแนวความคิดแนวทางสมาธิทำจิตใจให้นิ่งจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจนิ่งจิตใจสงบแล้ว จากนั้นก็นำมากันกรองไตรตรองตามแนวแถวของพุทธพระพุทธเจา้าท่านสอนอย่างไรตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเอ่อตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงตามหาบัวและครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรถ้าเราใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้เราก็พอจะรู้แนวทางจากนั้นเราลงมือประพฤติธปฏิบัต ไม่ใช่ว่าเราจะศึกษาแล้วฟังดูแล้วรู้แล้ ว, ลว อ, อจะเป็นมั่กเป็นผลไม่ใช่เหมือนกับเราพูดกันสนทนากันเรื่องอาหารลถจยางนั้นอร่อยอย่างนี้การทําอย่างนั้นอาหารประเภทนั้นประเภทนี้ เ, ออเมื่งเราจะสดสนทนาปารบกันขนาดไหนก็าตามเราไม่มีการอิ่มท้องเพราะอะไรเพราะเราพูดแต่เรื่องอาหาร เรายัางไม่ได้ทานอาหารแต่เมื่อเราทานอาหารเมื่ อ, อไหร่เมื่อนั้นแหละเราจะอิ่มท้องนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฟังศึกษาในเรื่องต่างๆปรัชญาอย่างนั้นภาวนาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ศีล ส, สมาธิปัญญาอย่างนั้นทําให้จิตใจปลนปล่อยวางให้เห็นอนในจางทุกขังอันในตาปล่อยวางความหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้น ถึงเราจะพูดไปแต่เราไม่ได้นํามาประพฤติธปฏิบัติให้จริงจังเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุก์ในวัฏสงสารไปได้เนี่เราขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทีนี่เราวิธีการปฏิบัติทำตนอย่างไรที่จะทําให้จิตใจเป็นสมาธิก็มีหลายวิธีที่พระพุทธเจ้า ว, วางเอาไว้กรรมาฐานสี่สิบและยังมากกว่านั้นอีก ทำไมจึงว่ามากกว่านั้นในพระไตรปิฎกท่านก็ไม่ได้กำหนดว่ากรรมฐานสี่สที่ท่านวางไว้นันเอออย่างนาง อ, าอุบลรวรรณาที่เป็นลูกเศรษฐีมาบวดท่านก็เห็นไฟจุดไฟแสงกระพริบอย่างไฟต่อหน้าพระประธานของเราเนี่ยท่านก็ยืนอยู่ตามลำพังเห็นไฟกระพริบ ที่จุดเทียนขึ้นมามันไม่เนียงมันกระพริบกระพริบกระพริบท่านเห็นเพียงแค่นั้นนกะ็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจของท่านใจของท่านกับนั่นแหละกระพริบอยู่ตลอดเวลาในขณะที่กระพริบเน่ยมันมีสุขมันมีทุกข์ถ้าเราดูให้ดีแล้วความคิดของเรามันน้อมเอียงไปทางไหนถ้าความพอใจมันก็เป็นสุขถ้าความไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์นี่แหละ ในใจของเราทัางกัะ น, น้อมขกามาหาตัวจิตตัวผู้รู้คือใจท่านเห็นใจของท่านใจของท่านเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นจิงนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นม่ใช่ตัวตนของเราท่านก็ปล่อยวางลงที่ใจท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยอันนี้ก็คือนอกประเด็นเลยทนี้ไม่ใช่กรรมาฐานสี่สิบแต่อยู่ในสี่สิบไม่ใช่เพราะท่านเห็นอนิจจังของไม่เที่ยง ในสิ่งไหนไม่เถี่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็เห็นทุกขังอะไรจะสัจจังอีสิ่งไหนไม่ทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นไม่น่ายึดมั่นถือมั่นปล่อยวางเน่ถ้าจะลุกไปก็คือต้นหลักก็คือไตรลักษณ์ไม่หนีจากจุดนี้อีกนี่แหละอันนี้ก็คือการพิจารณาของพระอริยะเจ้าในอดีตกาศเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา อย่าสงสัยว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นควรจะทำอย่างควรจะทำอย่างนี้อคณาจารย์นั้นพูดอย่างนี้คณาจารย์นี่พูดอย่างนี้เอาเถอะเมื่อเราได้ฟังได้ศึกษาดูแล้วไม่นอกเหนือจากออกนอกจากสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันนี้คือหลักใหญ่ให้พวกเราศึกษาดูแล้วให้น้อมใจของเราไปสู่สติปัฏฐานสี่ตัวไหนวงไหนแต่เราอย่าไปสับสนเถนี้เราจะยึดตัวไหน เอาตัวไหนเอาตัวตัวใดตัวหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งในเมื่อจับจุดนั้นได้แล้วมันจะจับจับได้ทั้งวงแต่ถ้ามันจับไม่ได้แล้วถ้าจับจนนั้นไม่ได้มันจะจับไม่ได้ทั้งตัวอีกเหมือนกันเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านจึงให้ภาวนายึดกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าบรมมครูของพวกเรา ที่ท่านไปภาวนาที่โคลนต้นโพลพระพุทธเจ้าท่านกําหนดลมหายใจเข้ารัวหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้คือกรรมฐานพุทธะแต่กรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปูมงป่มัน่นหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเอาเถอะเมื่อกําหนดแต่ลมหายใจเข้าออกนั้นอ่ะมันหลงมันลืมมันหลงเงื่อนได้ง่ายมันหลงสนได้ง่ายมันเผลอได้ง่าย สำทับกับพุทโธเขาอีกนะอท่านเคยสำทับพุทโธตาตาโมติกรรมฐานภาวนาพุทโธมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วอพุทธานุจติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าทำมานุจติระลึกถึงพระธรรมสังคานุจติระถึงถึงพระสงฆ์สังศีลานุจติระลึกถึงศีลยาคานุจติระลึกถึงทานเทวตานุจติระลึกถึงเทวดาคุณค่าที่ให้สูงส่งทางด้านจิตใจจะเป็นเทวดานทาตนอย่างไร ทำตรงทําตนเป็นคนดีจึ่งจะเป็นเทวดาได้เอีสิ่งเหล่านี้แหละเทีเท่ยววารานติออาณาปานัติกําหนดลมมรณะนุสติแลึกถึงความตายอุปจมานุสติแล้วลึกถึงขุนผนิพานคือความสงบจิตใจเข้าสู่ความสงบเนี่ยอันนี้แรีวอนุสติสิบเพราะฉนั้นเราเอากำฐานสองอย่างคืออาณาปานัติกับพุทโธเนี่ย มันก็ไม่ผิดไปที่ตรงไหนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะรัตไทยญาติโยมที่เป็นสิทธิญาณุสิทธิของหลวงปู่มั่นสายของหลวงปู่มั่นอย่าสับสนให้ฟังเอาไวให้ถึงใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ยึดตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยนะองคตาเนี่ยนะเมื่อเรายึดไปแล้วเนี่ยภ า, าวนาไปแล้วน่ยเดินตามสมถะและวิปัสสนาตามแนวแถวสายนี้แล้วน่ะ เห็นไหมครูบาอาจารย์ของพวกเราเป็น น, ปนที่น่าภาคภูมิใจอธิธฐานของท่านกระดูกท้องท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นตําตาตาํตาใจอยู่เราย่งเรายังสงสัยอยู่เหรอเรายังไม่มั่นใจอยู่เหร อ, อกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านคณะสัตยาญาณโยมพระเนนลูกหลานทุกวงนะให้พวกเราศึกษาพวกเราน่าจะภาคภูมิใจอย่างมาก ที่เราเข้ามาศึกษาปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามแนวแถวสายริยะปร ะ, ประเพณีคือสายพระรหพูดง่ายๆหลวงพ่อมั่นใจถึงขนาดนั้นจึงได้พูดได้กล่าวพูดด้วยความไม่สะทกไม่สะทานอีกต่างหากเพราะนั้นขอให้พวกเราพระเนนลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมทุกคนนะให้ภาวนาอันดับแหลกอันดับแรกก็คือสมถกรรมฐานถ้าจิตใจ เป็นหนึ่งจิตใจมีความสงบเป็นพื้นแล้วนั่นแหละคณิกะอุปจาระอัปปนาจะเกิดขึ้นตามขึ้นมาอันดับแรกก็คือสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโท»พดโท・อย่าให้จิตอย่าไปให้สงจิตสงใจไปขังนอก บ, บังคับอันดับแรกต้องใส่ใจและบังคับ ไม่ให้จิตใจของเราปงฟุ้งไปทางอื่นว่าอยู่กับพุทโธเท่านั้นไม่ตั้งจิตอธิษฐานอีกต่างหากข้าพเจ้าจะไม่การนั่งภาวนาในคราวนี้ครั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่ให้จิตใจปงฟุ้งไปทางอื่นอยู่กับพุทโธอย่างเดียวให้บังคับอยู่ในในตัวเองจากนั้นเราพุทโธพุทโธพุทโธเราข้าพเจ้าจะนั่งให้นานที้สุดในคราวนี้ครั้งนี้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่ากัน จากนั้นเราก็นั่งกหนดลงไม่แห้จิตใจเผลอไปทางอื่นไม่มีส่วนเสียถ้าจิตใจอยู่กับตัวเองจิตใจอยู่กับพุทโธจิตใจอยู่กับร่างกายจิตใจอยู่กับกรรมฐานไม่มีส่วนเสียมีแต่ส่วนได้ถ้าจิตใจส่งออกไปข้างนอกนอก็เลยเหยคิดเรื่อยเปลือยไปเลื่อยคิดถึงบ้านถึงเมืองที่ถึงเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องอะไรต่อไม่อะไรส่งไปออกข้างนอกเสียหายเผ ล, อ เ, ลอเป็นบ้าอีกต่างหาก ขาดสตออิอยู่ตัวเองอยู่เป็นพระแต่ใจ อ, อกนุ่นอยู่ในขอบโลกจักรวาลอันนั้นเสียหายเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะมาศึกษาธรรมะก็ให้จิตใจอยู่กับธรรมะให้จิตใจอยู่กับวัดให้จิตใจอยู่กับตนเองนี่แหละเลิศประเสริฐที่สุดบงังคับใจให้อยู่กับตนเองมีแต่มีแต่คุณค่าไม่มีการขาดทุน ก็แล้ขอให้พวกเราทุกท่านนะบังคับใจให้อยู่กับตนเองให้อยู่กับกรรมฐานหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโธเวลาก้าวเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาเดินพิจาัณ์ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยเดินไปพุทโทพุทโธพุทโธจนไปถึงหมู่บ้านแล้วกลับมากมเหมือนกันเวลากลับเดินทางเดือกลับปุติกองมือนกันบริกรรมพุทโธพุทโธไปเลยให้มีสติอยู่กับตนเอง ถ้าเรามีการฝึกหัดดัดนิสัยอยู่อย่างนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่อย่างนี้ไม่เหลือวิสัยนะพาลูกพาหลานนั่นก็เรื่องการภาวนาจากนั้นเมื่อจิตใจผ่านความสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วเราก็นาเราก็ถอนจิตออกจากสมาธิพอจิตใจสงบเป็นพื้นฐานถอนออกจากสมาธิมาพิจารณาทางด้านปัญญาหรือ ว, ว่าวิปัสสนา การที่จะออกเป็นวิปัสนานะี่ยต้องออกเป็นทางวิปัสสนึกซะก่อนนึกคิดซะก่อนตรึกตรองซะก่อนอบังคับให้ออกคิดเด็ดคิดอะไรท่านจะออกท่านว่าจะออกคิดออกนอกรูนอกทางให้คิดพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยนี่แหละร่างร่างกายของเราเนี่แหละเป็นหินลับปัญญาที่จะเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้พิจารณ า, าร่างกายสังขารเนี่ยเป็นหินลับรับมีด กว่าหินลับก็คือลับมีดมีดให้มันคมคือว่าจะใช้ชติใช้ปัญญาของเราเนี่ยลับพิจารณาอะไรพิจารณาเกศาผมโลมาขนนค า, าเล็บทันตาฟันเดีย่ยงพวกเราสวดบ่งเมื่อกี้อาการสามสิบสองนะตับปอดลำไส้อาหารใหม่อาหารเก่าทั้งบนแต่แต่พื้นเท้าขึ้นมาทั้งบนทั้งต่ำต่างไตแปบแต่แต่แตแตปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนะ่ะอันนี้เราให้พิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเหมือนกับเขาแยกอาจารย์ใหญ่ลักษณะอย่างนั้นนะดูร่างกายของเราให้ทีท่วนให้ชัดเจนร่างกายของเรามีอะไรบ้างที่เสร็จสวยงดงามอถึงมันตายไปแล้วนะ่ะเหมือนคนตายเราเห็นไหมเอาไปเอาไฟไปเผาเผาเท้งเราจะไม่เผาอย่างนั้นใช่ไหมใจถามใจท่าน เมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันหลงกายพระพุทธเจ้าพระรหัสทศาภคที่ท่านสอนว่ามนุษย์ของเราหล ง, หลงร่างกายว่าเป็นของจิรังถาวรว่าเป็นของเสร็จสวยงดงามว่าเป็นผู้มีศักดิ์มีสีจดถามบันดาศักดิ์สูงสงใขรแตะไม่ได้เนี่ยกิเลสโลภโทศมันเกิดกิเลสราคะมันเกิดโลภโกรธหลงมันเกิดในจิตใจของเรา ก็ถือว่าร่างกายในเป็นตัวตนของเรานี่แหละในเมื่อเราพิจารณาให้ทีถ่วนลงไปแล้วร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะ่าใจนะอย่าไปสงอย่าไปหลงนะอย่าไปหลงเงื่อนนะอย่าไปเข้าใจผิดนะ่ใจนะเ อ, อกซักวันหนึ่งนะร่างกายเนี่ยจะต้องแก่เจ็บตายเอาไปเผาไฟทิ้งในที่สุดดูซิมันเป็นของเราไม่ใจนี่แหละในเมื่อจิตใจของเราผ่านสมาธิจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานมาก่อนแล้ว เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายนะเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือเอาโซเฟอร์มารื้อลดดูลดคันนี้มันเป็นอะไรมีอะไรบ้างฮะนี้ก็เหมือนกันเอาร่างเอาใจของเรามาดูรื้อร่างกายดูว่ามันร่างร่างกายของเรามีอะไรบ้างฮอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี่นะเนี่ยมือเลี้ยงดีขนาดไหนอน่นุถนนมขนาดไหน ปนปื้ขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่มีคำว่าจะหนุ่มไปข้างหน้าม่แต่แก่และก็เจ็บและก็ตายในที่สุดผลที่สุดใจของเราเน่เป็นหลงมันหลงร่างกายว่าต่างกายเป็นตัวตนของเราเพราะนั้นไปทำกรรมชั่วมากมายเพราะหลงร่างกายใครมาว่าให้ก็โกรธให้เขาด่าให้เขาใครมาพูดอะไรนะ เผอเผอไปฆ่าเขาอีกต่างหากเพื่อปกป้องร่างกายของตนเองเอสร้างบาปสร้างกรรมเข้าสู่จิตใจอีกผลที่สุดน่ะเอขนาดปกป้องขนาดไหนก็เถอะร่างกายก็ยังตายเอเขาไปเผาไฟทิง้งผลี่สุดเอความโง่ไม่ได้ตกไปที่ไหนมาตกมหาใจใช่ไหมใช้ไม้ใจนี่แหละให้ถามตนเองเลยพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายภาวนาเมื่อจิตใจผ่านความสงบและทวงมหาตัจใจ น้อมมหาใจดูใจของตนเองใช่ไหมใจ อ, อร่างกายเนี่เป็นตัวของเราใช่ไหมใจไม่ใช่มันต้องไปในจางทุกขังาน้าตาในเมื่อร่างกายยังไม่ใช่ตัวตวนล่ะของสิ่งอื่นละ่ะมันเป็นของเราอยู่ใช่ไหมใจอ อ, อย่างหลวงพ่อถามหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออินร่างกายเนี่เป็นของหลวงพ่ออินอยู่ใช่ไหมใจหลวงใจหลวงพ่ออินไม่ใช่ ในเมื่อร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราจะต้องแกจะต้องตายจะต้องเผาไฟในที่สุดซาลาหลังนี่แหะศรัท ธ, ธาญาติโฉมล่ะพระเนร์่ะพุทธบริษัทแหละเป็นของหลวงพ่ออินอยู่ใช่ไหมหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินก็จะตอบขึ้นมาทันทีวไม่ใช่อันนี้เป็นเพียงแต่เพื่อปัจจัยอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวอาศัยซึ่งการณะการต่างคนกับต่างสร้างมาสั่งสมบา ร, รมีมาสร้างบา ร, รมี มาสั่งสมบุญกุศลเท่านั้นร่างกายของเราไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวเออเอาบอกกล่าวแนะนําให้รู้จักเนอะศีลอย่างนี้ทานอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้นรกอย่างนี้สวรรค์อย่างนี้เออบำเพ็ญให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอย่างนี้อันนี้พวกเรามาอยู่ด้วยกันสรุปแล้วก็คือมารวมกันมาร่วมกันมาส่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ มาศึกษาหาธรรมะเข้าสู่จิตใจของพวกเราแต่ละท่านผลในสุดกระต่างคนก็ต่างไปอีกแี่ไหหลวงพ่อกับไปทางหลวงพ่อพวกลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็นไปของไขรของเราอีกทนี่ไหนเพราะนั้นเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นของเราเอากายเป็นของเร า, เ, าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงพุทธบริษัทศาลากุติของเป็นของเราถ้าเราคิดได้เพียงแค่นั้น เราลุ่มหลง ม, มัวเมาโง่ไม่ใช่โง่ธรรมดาเป็นบรมมัโง่อีกต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านคิดดูซีที่ไหที่หลวงพ่อพูดกล่าวให้ฟังน่ะจริงไหมเป็นความจริงนะนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธาเนี่ยเป็นของจริงเอานำมาบอกกล่าวให้พวกพวกเราแต่พวกเราไม่ยอมรับนะ พอคิดถึงความตายในยขยะแล้กลัวตายทั้งนั้นไม่อยากจะคิดมันอีกนั่นแหละความโง่ประเภทหนึ่งอจากนั้นเขามาคิดว่าไม่ร่างกายสังขานสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราก็ไม่อยากจะคิดอีกเพราะมันเป็นของเราแท้ๆนะ่ะมันเป็นหลงไปอีกนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละความกิกเลสโลภโกรธหลงตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาลหลอกหน้าหลอกหลังหลอกซ้ายหลอกขวาหลอกไปหมดในตัวเองผลีนสุดก็เลย่ะตัวเองก็ล่มลุ่มหลงมัวเมา กิเลสมัดแข่งมัดขามัดคอตัวเองอีกต่างหากไปที่ไหนไม่ได้เพราะกิเลส เ, เราอ่อนด้อยต่อกิเลสเราไม่เชื่อฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการพูดทางนี้ทางนั้นก็เพื่อให้เราได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษานะนาไปคิดนาไปพิจารณาดูซเซที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ถึงยังไง การภาวนาของพวกเราคนหนอย่าเป็นหนีจากกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าออกนั่นคือสมถะคือทําจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาวิปัสสนาทางด้านปัญญาแยกแยะร่างกายสังขารตัวตนของเรารูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจอาศัยกันอยู่แต่อย่าไปหลงร่างร่างกายอย่าไปหลงตัวเอง ใ ห, ให้รู้เท่ารู้ทันใ ห, ให้รู้จักการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นนั่นแหละมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนนีมันอยู่ในใจของพวกเราทุกๆท่านเพราะนั่นในการกล่าวสมโภมชนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลานะถ้าไปพูดไปมากไปถ้าก็ยิ่งสับสนไปเรื่อยอนพูดแนวทางปฏิบัติให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษา เป็นแนวทางปฏิบัติอีกที่มองเห็นได้ชัดถ้าพูดไปแล้วมันคุมเคือพูดไปมากเท่าไรก็ยิ่งสับสนไปเรื่อยๆนะให้พ้นนั้นให้พวกเราฟังดูแล้วยิ่งไปนําไปกันกรองไตรตองนะอ่ตอนนี้ไปนั่งสมาธิในวันนี้นะตอนนี้ไปนั่งสมาธิจนกว่าหลวงพ่อจะบอกกล่าวเออเอาพอแล้วก็ยังค่อยพอวันนี้ไม่ต้องเปิดเทปก็ได้นะ พอหลวงพ่อพูดให้ฟังยาวแล้วตอนนี้ไปให้นั่งสมาธิก่อนที่จะนั่งสมาธินะเมื่อคัดขาขวาทับขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วลดปันนมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนไหวครูซะก่อนไหวพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะวิชาสมาธนะิไม่ใช่ของหลวงพ่ออินพูดนะเป็นวิชาของพระพุทธเจา้าพอแม่ครูบาอาจารย์สอนมาตามลําดับลํรำดับมาถึงพวกเรา เมื่อพวกเรานั่งสมาธิให้เรานำเลิกถึงพระพุทธเจ้าก่อนพุทโธคือพระพุทธเจ้าธ ร, รมโมคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสังโฆคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนพวกเราให้ปฏิบัติพุทโธธรมโมสังโฆถึงสามจบจากนั้นก็เอามือลงเลยบริกรรมพุทโธพุโทโธละไรต์นี่นะ ม, มับังคับไม่ให้จิตใจปุงไปทางอื่นทํามันไปถึงดึงรีบกลับมา เราไม่ได้นั่งให้ จ, ใจิตใจคิดไปทางอื่นนะเรานั่งสมาธินะบังคับใจอย่างนั้นตอนนี้ไปก็นั่งสมาธิ้วนาะธินีนะ